อถวายความเคารพแด่พระเทราชเทระในมหาสมาชชนี้มีพระเดชพระคุณพระเทศสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพระเดชพระคุณพระราชปริยติโสภลเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณพระยาพระราชประสิทธิคุณรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ท่านเจ้าคุณพระราชปรยัติกวีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณพระสมพลพัฒนประดิษฐ์รองอธิการบดีวิยาเขตขอนแก่นพร้อมทั้งท่านเจ้าหน้าที่ททครูบาอาจารย์นิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปและท่านพระเถราพระเถ ร, ระ ท, รที่มาร่วมการสัมมนา ทุกท่านขอเจริญพรท่านสันติงเราดสษเณมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่งท่านกงศูนใหญ่จากสารักประชาชนจีนท่านกรงศูนใหญ่สานักประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านกงศูนใหญ่สารักเวียดนามท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตฝ่ายขรัค ท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้กล่าวนำให้กล่าวนำเป็นการปัจกฐาเบื้องต้นคือเรื่องจิตอาสา เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในหัวข้อนี้นั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เนื่องจากว่าพูดเป็นอันดับแรกก็จะขอทำความเข้าใจคำว่าอาสาก่อนอาสาในโพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้ความหมายไว้ว่า เสนอตัวเข้ารับทรรมเสนอตัวเข้าทํากิจกรรมใดๆก็ตามด้วยความเต็มใจเรียกว่าอาสาและเมื่อดูในคำที่รวมกันว่าจิตอาสาเนี่ยก็ให้ความหมายว่าเป็นความสมัครใจจิตนี่เป็นเรื่องความคิด ความคิดนั้นอาสาเข้ามาก็คือสมัครใจเต็มใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเกียร์หรือสิ่งอื่นใดความหมายเต็มตัวของคำว่าจิตอาสาเป็นอย่างนี้ส่วนใครจะมีวัตถุประสงค์ แอบแฝงในการการะทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในหลักการเนี่ยถ้าใครอาสามาทำอะไรก็ตามแสดงว่ามาด้วยเต็มใจไม่มีใครบังคับและมาด้วยจิตเสียสละเขาเรียกอาสาจิตอาสานั้นในภาษาอังกฤษก็คือ Volunteering หรือ v o l u n t e e ทที่เราแปลว่าอาสาสมัครเป็น altruistic activity เป็นการทำนานเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมาก altruistic คือหวังประโยชน์ของคนหมู่มากโดยถ้าแปลจ า, ารกภาษาอังกฤษที่เห็นในจอก็คือ คนที่ทำไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มมุ่งให้การบริการโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือลาภยศอื่นใด for no financial or social gain อันนี้ชัดเจนไม่เรียกร้องตอบแทนทำเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนทั้งกลุ่มหรือแก่องคอ์กรใดๆก็ตามอันนี้คือจิตอาสาใครที่มาทำงานด้านจิตอาสาก็จะต้องเข้าใจว่าประโยชน์คนอื่นเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาแบ่งประโยชน์เป็นสามหนึ่งอัตถะประโยชน์ตน สองประทับประโยชน์คนอื่นและสามประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ตนบวกประโยชน์คนอื่นผู้ทำงานจิตอาสาเก็บประโยชน์ตนไว้ก่อนมุ่งประทับประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ส่วนรวมอุปยถาถ้าเน้นอัดตัดถัประโยชน์ตนไม่ได้จิตอาสา แต่ถ้าน้นเน้นประโยชน์คน อ, อื่นเป็นทีตตังประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์คน อ, อื่นบวกกันเป็นอุปยถาก็ได้เราเรียกว่าผู้ทาเพื่อประโยชน์สองข้อท้ายเนี่ยเป็นจิตอาสาในลักษณะของจิตอาสาเนี่ยโดยสรุปเขาเรียกว่าเป็นใครทีเรียกคือเกณฑ์ในการวัดว่าใครทำงานเพื่อจิตอาสาหรือไม่ ตั้งเกณไว้สี่ข้อกันแล้วกันหนึ่งเป็นการเสนอตัวเข้าร่วมทำกิจกรรมโดย เ, เข้ามามีส่วนร่วมนั่นแหละอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเราไม่นิ่งดูดายจะเข้าไปทำไปจับไปทำเหมือนอ คำคำเคยโบราณเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขาไม่ได้สั่งแต่เราอยู่เฉยไม่ได้นี่ก็คือเสนอตัวเข้าไปทำกิจกรรมกิจกรรมที่ทำนั้นมุ่งประโยชน์สุขของคนอื่นหรือส่วนรวมไม่ใช่ของเราคนเดียว มันยังเป็นจิตอาสาข้อที่สามไม่มีใครบังคับทาด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจและข้อที่สี่โดยไม่หวังผลตอบแทนคนไหนถ้าทำเพื่อหวังผลตอบแทนพอไม่ได้ผลที่หวังก็ไม่ทําเราไม่เรียกว่าจิตอาสา จิตอาสาจะมีความยั่งยืนมันก็จะเข้ากับหัวข้อที่เราว่าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนคือสังคมพัฒนายั่งยืนด้วยและกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันต่อเนื่องมันยั่งยืนใครจะรับรองใครจะเล็กก็ไหนใครจะให้รงหางวัลหรือไม่ นักพัฒนาสังคมนี่เขาทำตลอดนะไม่ใช่ทำเพราะหวังรางหวัดหรือหวังเป็นเจ้าคุณพอไม่ได้ก็ไม่ทำหรือได้แล้วก็จำวัดต่อเอออย่างนี้ไม่เรียกจิตอาสาถ้าธเรียกทำงานเฉพาะกิจจิตอาสาจึงต่อเนื่องยั่งยืนสี่ประเด็นเนี่ยเป็น ลักษณะจิตอาสาที่เราตัดสินได้ถ้าอาจจะมีครบบางไปครบบางแต่ถ้าครบเลยนี่ถือว่าจิตอาสาที่สมบูรณ์จิตอาสาในพุทธศาสนามาจากประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งพระอรหันตนะ์ในภาษาแรกเนี่ยออกภาษาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระอรหันต์หกสิบรูป พระพุทธเจ้าทรงพระอระหันต์ไปประกาศพระศาสนา60รูปเนี่ยด้วยประโยคนี้ว่าจารถะพิกเวจาริกังพระผุชนะยิตายะผุชนะสุทายะโลกาโนกัมปายปะแปลว่าท่านทั้งหลายจงเดินทางจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่คนเป็นอนุมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยท่านไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ตนนะอันเนี้ถือว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกเลยนะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระอรหันต์หกสิบองค์เนี่ยเป็นต้นแบบจิตอาสาที่สมบูรณ์หนึ่งท่านไม่มีแรงจูงใจเพื่อประโยชน์ตนเอาแล้วท่านทำทำไม ต้องทําเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกไม่ได้หวังราบไม่ได้หวังยศไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ความสุขประโยชน์สุขของคนเป็นที่ตั้งจึงถือว่าพระอรหันต์หกสิบรูปเนี่ยเป็นต้นแบบของจิตอาสาลกลุ่มแรกเลยและประโยคที่เป็นหัวใจของจิตอาสาคือประโยค น, นี้ประเด็นที่ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบัตร4 1 5พ0 0ษาพระพุทธเจ้าเดินออกเดินทางจาริกเผยแผ่พระศาสนาในอินเดียนในชมพูทวีปเนี่ยพระองค์ไม่ได้หวังอะไรส่วนโรคเพราะฉะนั้นจะมีจิตอนุเคราะห์แก่ชาวโลกนักปราสลุกพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ที่เป็นจิตอาสาและเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยเป็นสามประเภทหนึ่งพุทธถจริยาพราะองค์จริยาหมายถึงความประพฤติหรือการปฏิบัติอัดถาะ ก, ก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธไม่ใช่เพื่อโลกเองเนะแก่พุทธศาส น, นิกชนเนี่ยพุทธเจ้าได้ปฏิบัติพระองค์เทศนาสั่งสอนอบรมเนี่ย เป็นพุทธถ า, าจริยาและพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์พุภิษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกายังออกไปโปรดพระญาติที่กรุงก บ, บิลพัทหรือพระญาติพระประยุนญาติมาบวนอย่างพระ อ, อนตน์อย่างนี้เขาเรียกยาตถ า, าจริยานี่ก็ทำด้วยจิตอาสาไม่มีใครมาเรียกร้องว่าท่านต้องทำแต่พระองค์ก็ทา ไม่ได้ทำเฉพาะชาวพุทธเนึ่ย ต, ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาพระพุทธเจ้าก็โปรดก็ทำประโยชน์ให้เราเรียกว่าโลกัตถ์จริยาพระพุทธเจ้าระเพ็ญประโยชน์แก่คนต่างศาสนาแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงถือว่าโลกานุกรรมปายะกษอนุเคราะห์แก่ชาวโลกทั้งหมดเลยไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัก พุทธาจาริยาหรือพุทธของพระเจ้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นแนวปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทั้งปมดไม่มี i s c r i m i n a t ช o นไม่มีการเลือกปฏิบัติมุ่งประโยชน์สุขส่วนรวมเราสร้างถนนนี่ไม่ใช่ให้สมมติท่านหลว ง, งพ่อครูบาศีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพหรืออะไรท่านไม่ได้บอกว่าเพื่อชาวพุทธเท่านั้น เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนก็ใช้ได้หมดนี่คือโลกัารจริยาในประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชบิดาของราชการที่ข้าวกรมหลวงสงขลานครินทร์ถือว่าเป็นต้นแบบของจิตอาสาในด้านของการแพทย์ พระองค์เป็นเจ้านะเป็นเจ้านายไปเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในอเมริกาลกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นมีโรงพยาบาลแห่งแรกคือสิริราชทรงประสงค์จะใช้ความรู้ของพระองค์เนี่ยในการแพทย์ที่ไปร่ำเรียนมาข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาถึงอเมริกาเนี่ยเพื่อประโยชน์สุข ของคนไข้ในประเทศไทยแต่เขาไม่ให้ทำนานเพราะว่าการเป็นแพทย์นี่ก็จะต้องแตกถูกตัวเวลาตรวจต้องถูกตัวคนไข้เจ้านายถูกยกไว้สูงทำไม่ได้พระองค์จึงต้องไปทำงานที่เชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแมคโครมกเพราะโรงพยาบาลฝรักไม่ไม่ว่ากัน ไปตรวจไปรักษาได้แสดงถึงอะไรถึงว่าวิชาชีพเนี่ยอยากใช้เป็นประโยชน์จะมายกขันขึ้นหิ่งไม่ทำงานไม่เอาลงไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์อยู่ที่เชียใหม่และทรงสอนบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นอมตะวาจาในเรื่องของ จิตอาสาในวงการแพทย์ก็คือประโยชน์ที่ว่านี่คือคำของพระองค์ท่านขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิตที่หนึ่งลาสับและเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ถ้าเอาประโยชน์นตนเป็นที่สองเอาประโยชน์สนเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งนี่คือจิตอาสาแท้ๆเลยจึงไม่แปลกที่พระโอรสของพระองค์คือราัชากาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชเมื่อได้รับพระบรมราชาพิเศษในสงเข้าพิธีพระบรมราชาพิเศษ เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชการที่9้าพระประถมบรมราชโองการที่ทรงประกาศเราจะครองแผ่นดินโดยธรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประโยชนว่าเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยมันสื่อสะท้อนถึงอาสาเข้ามาอวยประโยชน์สุขแก่พระศพนี้ก่อน ไม่ได้คิดถึงประโยชน์สุขส่วนตนจึงเป็นพระมาหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบแห่งจิตอาสาพระองค์เป็นพระมาหากษัตริย์ใต้รัฐมนูลมอีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติรัฐบาลใช้เพระาะฉะนั้นรัฐบาลต้องทำงานตามพระเนตพระกติแต่เมื่อทรงแปรพระราชฐานไปอยู่ที่หัวอินพระาชวังไกกังวล สเสด็จออกไปเยี่ยมราษฎรปรากฏว่าไปเห็นชาวบ้านเนี่ยลาบากระบนก็ไปถามว่าต้องการอะไรชาวบ้านก็บอกว่าต้องการถนนพระองค์ก็ประสานให้มีการสร้างถนนเป็นโครงการในพระราชนิโครงการแรกที่หัวหินนั่นเองและหลังจากนั้นก็มีโครงการ ลักษณะอาสาเพื่อช่วยประชาชน 4,000 กว่าโครงการโครงการในพระราชนิพนธเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจผู้ปกครองทั้งหลา ย, ยอาสามาทำงานเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากโดยลักษณะของธรรมราชาเนี่ย พระราชาโดยธรรมะในคติธรงมสนาพระราชาคือคือใครราชาแปลว่าผู้สร้างความยินดีราชาเนี่ยให้แก่ผู้ใต้ปกครองเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองต้องมีจิตอาสาทาประโยชน์สุขแก่ผู้ใต้ปกครองจึงได้ชื่อว่าราชา ในวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามันจึงมีเรื่องจิตอาสาอยู่โดยไม่ต้องสงสัยมันเป็นเนื้อเป็นตัวของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีจิตอาสาไม่มีพุทธศาสนาไม่มีใครบังคับว่าพระโคตมะพุทธเจ้าหลังจากตัดสรู้แล้วต้องออกไปโปรดสัตว์และพระองค์ไม่หวังอะไรเพื่อตนเองและพระ ม, มีกิเลสแล้ว แต่อาสาเพื่อประโยชน์สุขด้วยมหากรุณาที่คุณน่ะพระเจ้าแพนดินก็ต้องแบบเดียวกันใครมาเป็นพระเจ้าแพนดินก็ต้องอาสาทำประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ปกครองเจ้าเมืองแม้กระทั่งมาเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ต้องอาสาแบบนี้เพียงแต่ว่า เงินเดือนมันอาจจะเป็นผลตอบแทนเกียรติเป็นผลตอบแทนแต่พื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาสาถ้านี่คือว o ร์นเทียสเปรินี่คื อ, ค อ, คอจิตวิญญาณแท้ๆของ Service Civil Service อ่ะข้าราชาการอะระบบข้าราชาการทั้งหมดเนี่ยคือระบบอาสา มันเป็นจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้พระพุทธศาสนาก็อยู่บนฐานตรงนี้ตั้งแต่พระเจ้ามามาจนถึงพระมหาการชาวพุทธเมื่อพระเจ้าประนิพนธนไปได้สองร้อยกว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชรวมแผ่นดินอินเดียให้เป็นหนึ่งสถาพนาพระองค์เป็นจกักรพรรดิหันมายอมรับนับถือพุษานา แล้วตั้งคำถามว่าอำนาจล้นฟ้ามีเพื่ออะไรทรัพย์สินเงินทองกองมาถือมาเพื่ออะไรได้มาแล้วนี่พระเจ้าทรงพระค์ก็ตอบและเขียนไว้ในจารึกอโศกบอกว่าอำนาจทรัพย์สินยศเงินทองจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าไม่ใช้เพื่อบูชาพระธรรม ประกาศธรรมะให้คนปฏิบัติตามในความหมายหนึ่งคือทำเพื่อประโยชน์สุขนั่นแหละเมื่อเราอาสามามีอำนาจในการปกครองในการทำอะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นรองอธิการบดีขอนแก่นไม่ใช่มานั่งเฉยๆต้องบริหารจัดการสร้างอะไรต่อเมียอะไรจัดประชุมหนึ่งเป็นประโยชน์ถ้าอยู่เฉยๆ อ, อ, อธิการบดีไม่มาหรอก นี่มาสนับสนุนเพราะทังประโยชน์ฉะนั้นพระเจ้าโอโศกจึงเป็นต้นแบบของกษัตริย์ชาวพุทธธรรมราชารัชการที่ก้ารงประกาศว่าเราจะท้องแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าอาสาสมัครรัชการที่ก้าทรงมี พระบรมราโชวะให้ความหมายว่าอาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทางานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครส่ง มีพระอาชาติสมัครชัดเจนว่าอาสาสมัครนีม่มาจากความเต็มใจศียสละรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาเห็นไหมไม่ใช่ใครเกณฑ์ไม่ใช่ใครบังคับอาสาสมัครจะต้องเป็นอย่างนั้นในรัชากาลปัจจุบันราัชากาลที่สิบมีประชาชนที่ออกมา สนองพระราโชบายเรื่องจิตอาสารวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะเรียกว่าประชาชนจิตอาสาแล้วมีสโลแกนที่เรารับรู้กันก็คือทําความดีด้วยหัวใจด้วยหัวใจก็คือเต็มใจเสียสละหัวใจแห่งความเสียสละและสิ่งที่ทํานั้นเป็นความดีเป็นประโยชน์สุขแก่มหาชน และด้วยใจนี่แหละคือประชาชนจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันในรัชกาลปัจจุบันเต็มใจสมัครใจทำความดีเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนถามว่าคนที่มีจิตอาสาเนี่ยมาทำงานเป็นประชาชนจิตอาสาเนี่ย เขามีแรงจูงใจในการทำความดีอะไรบ้างเราพูดถึงโมติฟหรือ motivation จริงๆแล้วคนเราทำความดีเนี่ยมันด้วยแรงจูงใจต่างกันถามพวกท่านทั้งหลายเองกันดา่ามาวันนี้มาร่วมสัมมนาเนี่ยเพราะอะไรเป็นแรงจูงใจ ท่านใส่บาตรแต่และเช้าเนี่ยมีอะไรเป็นแรงจูงใจท่านไปทำงานจิตอาสามีอะไรเป็นแรงจูงใจการทำความดีต้องมีแรงจูงใจแรงจูงใจมีสามอย่างสามกลุ่มเราแบ่งกลุ่มคนในนี้ได้สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งทำงานทำความดี เพื่อประโยชน์เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแต่แรงจูงใจมาจากภายในคือประโยชน์ตอนเป็นที่ตั้งเราเรียกว่าอัตตาทิปไตยเราอยากได้รางวัลเช่นคําชมเชยหลีกเลี่ยงการลงโทษการตาหนิเราก็ทำจิตทำนั้นอาสาสมัครอย่างนี้เรียกว่าแรงจูงใจมาจากประโยชน์ มันไม่เป็นจิตอาสาสมบูรณ์แต่ก็ยังดีกว่าพวกที่ไม่ทำมาเพราะว่าอยากได้คะแนนไม่งั้นอาจารย์ตัดคะแนนก็ดีกว่าพวกไม่มา ม, มาเพื่อทาวิจัยจบปริญญาประโยชน์เราแต่ก็ดีกว่าพวกที่ไม่มาแล้วก็ไม่จบอัตราธิ่มาไตายไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ยั่งยืน ประเด็นมันไม่ใช่ไม่ดีนะคนทําความดีเพื่อเงินเดือนเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรต่างดีทั้งนั้นขอให้ทําแต่มันไม่ยั่งยืนตามหัวข้อที่เราตั้งเพราะถ้าฉันไม่ได้ไม่ได้รางวัลไม่ได้คําชมครั้งต่อไปไม่ทําไม่มาไม่ให้อะไรเมื่อกี้ไม่แจกเลยอุตส่ามาน่ะเดอถ้วยหรืออะไรนี่ย ไปให้ใครก็ไม่รู้ให้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าอันนี้ไปว่ารองที่การไม่เขีย่ยวพูดแจกอย่างนี้เรียกว่าอาตาธิปไตยโยมทำบุญสร้างสลาปริจาคเป็นแสนสมภารไม่ประกาศชื่องอนเลยนะทั้งต่อไปเหลหนึ่งพันอันนี้เป็นอาตาธิปไตยแต่ดีนะยังอุตส่าห์ทำอ่ะดีกว่าพวกไม่ทําอ่ะ แต่ไม่ยั่งยืนข้อสองแรงจูงใจมาจากคนอื่นโลกาทิปไตยคนอื่นเขาเรียกว่ามาตามพวกนะเออพวกเขามากันเราก็มาแ่ชาวโลกคนอื่นและแถมว่าไปแล้วมันจะได้เครือข่ายเนาะเอาแรงกันใช่ไหมเอองานนี้ขอนแกนจัดมาให้หน่อย เดี๋ยวเราจัดเราก็เอาคืนบ้างเขาเรียกมันท่อยทีท่อยอาศัยเป็นโลกาธิปไตยรวมถึงคําชมเนี่ยมันก็มาจากคนอื่นคนอื่นชมคนอื่นให้รางวัลก็เป็นโลกาทีปไตยซึ่งตรงนี้มันไม่ยั่งยืนเหมือนกันเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามอุตส่าห์ไปร่วมงานแล้วครั้งต่อไปเราจัดเขาไม่ไม่ไปบ้างเนี่ยเลิกคบจําไว้นะขอนแก่นนะไปเจอใครมา งานหนักนะเดี๋ยวอธิการบดีมาพูดให้เนี่ยเวลาจะใช้ก็ทำงานให้อธิการบัตรคอนแกนเนี่ยนี่เขาเรียกเอาแรงกันนี่คือโลกาธิปไตยแต่ถ้าจะยั่งยืนนต้องเป็นข้อที่สาจิตอาสาที่เป็นธรรมมาธิปไตยในสองความหมายความหมายที่หนึ่งเอาประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้ง ทำเพราะมันดีในตัวมันเองทำไมเราจึงมาอาสาสมัครทำความสมานช่วยคลองหนองบึงเพราะมันจะเป็นประโยชน์ภายหน้าและก็เป็นทักยะภาพที่ดีงามเราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆเรื่องสองสุ ข, ขภาวะเรื่องอะไรต่างๆเราก็ช่วยเลย เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเป็นหน่วยแพทย์อาสาเนี่ยไปรักษาชาวเขาชาว้อยได้ได้เงินได้ท้องตอบแทนไม่มีแต่มันได้ให้ความสุขแก่คนอื่นสุขภาวะสุขภาพแก่คนอื่นเป็นเรื่องที่ดีเราทำเรื่องที่ประเด็นนิดนี้ประเด็นที่หนึ่งะประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองมีธรรมะในใจของเราเป็นตัวขับเคลื่อนเราเป็นคนที่มีน้าใจดี มีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารมีความหวังมีมีเมตตามีกรุณามีพุทธิตามีอุเบกขาอะไรก็ตามแล้วแต่เราเรามีธรรมะประจำใจพอเรามีความสงสารเนี่ยเห็นคนจนคนคนเจ็บคนอะไรต่างๆเอาสมมติหน่อยน้ำท่วมอะช่วงน้ำท่วมปีห้าสี่นี่ บ้านเราไม่ท่วมอยู่ขอนแก่นไม่ท่วมท่วมกรุงเทพน่น้นวิยาเตขตขอนแก่นวิยาเขตต่างๆไปแล้วไปช่วยมหาโจรี่วังน้อยเอาของไปช่วยทั้งท่านที่ไม่ไปก็ได้เพราะบ้านเราไม่ลมาบากแต่ความรักความสงสารทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกมาอาสาในอย่างวิกฤตนี่เขาเรียกว่าธรรมมาธิเไตย แล้วมันยั่งยืนใครจะชมไม่ชมใครจะให้รางวัลไม่มัลเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าเราจะต้องทําเราออกไปเลยไปช่วยอาสาตันนี่คือสปิริตสปิริตแห่งธรรมมาธิปไตยจิตอาสาด้วยธรรมมาธิปไตยเพราะหวังประโยชน์เป็นที่ตั้งขอผู้อื่นเป็นที่ตั้งเพราะมีคุณธรรมเป็นตัวผลักดันมีความยั่งยืนในการปฏิบัติ ในแรงจูงใจที่ว่ามานี่ถ้าเอาประโยชน์เป็นตัววัดทุกคนก็ต้องหวังประโยชน์เวลาเราทำจิตอาสาถ้าการกระทาด้วยจิตอาสานั้นเราได้มากกว่าเสียปรากฏว่าเวลาไปอาสาอะไรก็เนี่ยได้เกียรติได้กล่องได้อะไรก็ตามเนี่ยเราได้ทั้งนั้นคนอื่นได้น้อย มันเป็นอันตราที่ประายเ้าเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ win lose ฉันได้คนอื่นต้องเสียให้ฉันถ้าเป็นโลกาที่ประายเป็นความสัมพันธ์แบบ lose win ยองเข้าไปหมดอาสางกงกง ก, งกเราไม่ได้อะไรเลยแลนตั้งคาถา ม, ถามอีกแล้วฉันทำทำไมเพราะว่า เราเป็นฝ่ายเสียมากกว่าได้คนอื่นได้หมดไปช่วยคนอื่นจนตัวเองลบาบากก็เกิดไม่อยากับสิ่งที่ยั่งยืนคือธรรมมาธิปไตยมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเ้าเรียกวินวินต่างฝ่ายต่างได้อ่าเราได้อะไรล่ะ เอาเอาของไปแจกเวลาน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมนะมีสเเสียน่มันได้ตรงไหนได้ความสุขใจความภูมิใจรู้สึกดีอ่ะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นหัวใจสำคัญของจิตอาสาท่านถ้าท่านไปช่วยแล้วความรู้สึกมันอ๋อใครก็อยากช่วยคนอยากจน แต่พอไปเห็นโอ้โหเอาเงินให้มันมันมีแต่ไปเมากับเมาเสียความรู้สึกครับเราไม่ได้ความรู้สึกที่ดีอ่ะใครช่วยใครให้เนี่ยเป็นความคนให้ดูเหมือนเสียแต่เขาได้ความสุขความภูมิใจได้คุณค่าของชีวิตคนที่ค่าตัวตายได้่ยนะ พอตัวเองเคยร่ำรวยแล้วเงินบ่นหรือจนเนี่ยแล้วมาฆ่าตัวตายเป็นคนที่ไม่มีจิตอาสาแล้วคนที่คิดจะฆ่าตัวตายห่วงคนอื่นห่วงลูกห่วงพ่อห่วงแม่เราอยู่เนี่ยเรายังยังทำประโยชน์แกคนอื่นได้มันไม่ฆ่าตัวตายหรอกท่านไอ้พวกซึมเศร้านี่นะ depression มันคิดถึงแต่ตัวเองมันเป็น selfishness ความเห็นแก่ตัวเมื่อยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งซึมเศร้ายิ่งเป็นโรคจิตโรคกระสับลองเอาพวกซึมเศร้านี้ออกไปดูคนที่มันทุกข์กว่าเขาสิที่ไม่มีจะกินเน่ะไปเอตุโอเปียไปไหนสิมันหายนหะเพราะมันนึกถึงคนอื่นจิตอาสาเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัว พระพุทธศาสนาเป็นอนัตตาทําลายความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งจิตอ า, าสาสัพเพธรรมะอนัตตานะ่ยยิ่งเราลดความเห็นแก่ตัวลงไปเท่าไรเท่าไรเรายิ่งอาสาทําประโยชน์สุขมากเท่านั้นแ ล, และเราจะมีความสุขเราจะมีสุขภาพจิตดีถามว่าเป็นอธิการบดีเนี่ยต้องมูนนั่งพูดอยู่ทําไม เดี๋ยวไปทู่ที่นี่นั่นที่นี่มันได้อะไรขึ้นมาได้ความสุขเลยสุกจากการเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจนั่งเตรียมพวาวะพร้อยอยู่เรี่อยพรุ่งนี้ก็ไม่รู้กี่งานอะ่ะมันจะได้อะไรขึ้นมาถือพัดไปสวดยังได้เยอะกว่าท่านไม่เอาความพึงพอใจ นี่คือราหวัลเพราะฉะนั้นน้ำใจจิตอาสาเนี่ยเวลาคนทำจิตอาสามันต้องมาจากธรรมะภายในจิตใจซึ่งแล้วแต่ว่าท่านจะมีอะไรเมตตาก็ได้ที่ท่านหวังประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพราะเมตตาคือความรักอยากให้เห็นเขามีความสุขหรือการุณาความสงสารดับร้อนผ่อนเย็นให้แก่คนอื่น เป็นตัวเป็นธรรมะที่ขับเคลื่อนท่านให่อยากทําจิตอาสาหรือท่านมีความสุขเพราะเห็นคนอื่นมีความสุขที่ท่านไปช่วยไปให้เนี่ยอนุมโมทนากับเขาลองสิมาวันนี้เนี่ยนะตมามาพูดวันนี้มีคนมามามีคนมาร่วม ง, งานอยู่ห้าคนรองกันการบดีนั่งนั่งงําอย่างเงี้ยตมาไม่พุทธิตาหรอก โอ้นี่มาเต็มห้องดีใจด้วยนะมีข้าวฉันทุกอย่าไม่รู้เจอไหมเราจัดงานเนี่ยนะเลี้ยงแขกระหว่างของเหลือบาลเบิร์กับของไม่พอเนี่เอาไหนกันเจ้าภาพก็บอกกูของหมดบีบีสแสดงคนมาเยอะถ้าของเหลือนี่ไม่น่ามุทิตาเลยอุ้เบกขามันก็ต้องมีเมื่อเราเป็นจิตอาสา เรารักอยาก ใ, ให้คนอื่นมีความสุขเราก็ทําด้วยเมตตาเราสร้างอะไรเพื่ออำนวยความสะดวกกันนะขัดขืนเพรเกิดปัญหามีไปช่วยแก้ปัญหาด้วยกรุณาให้เขาพ้นปัญหาแล้วเห็นเขาได้ดีมีสุขเราบุติตาอนุโมทนาพอยินดีแต่พอเขาได้ดีมีสุขอย่าไปยุ่งเขามากกูเบกขาอย่าไปแหมไปทวงบุญคุณเนอะจำบ้างส่น่ะเคยช่วยไว้อนะไรเนี่ย พอเขาได้ดีดดีเราก็อุเบกขามากปล่อยวางมากมันก็จะต้องมีน้ำใจของจิตอาสาอย่างนี้จิตอาสาไปช่วยเขาแต่ไม่ใช่ไปครอบนำเขาเด็กๆ เ, เนี่ยนะที่เราไปอาสาไปเลี้ยนไปอุ้มเลยนะบางทีเราช่วยเด็กด้วยการุณาความสงสารแต่อุ้มมากไปเด็กเป็นง้อยนะมันพึ่งตัวเองไม่ได้ เราก็ต้องหวาวองอุเบกขาให้เด็กเขาช่วยตัวเองบ้างดังนั้นจิตอาสานี่จึงมีหลักอยู่ว่าช่วยคนให้ช่วยตัวเองไม่ใช่ไปอุ้มสุภาษิตเขาบอกว่าสุภาษิตจีนนะอ้างจีนหน่อยเขาบอกว่าถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตให้ปลาไปตัวหนึ่งและเขาก็กินหมดนอนรอเราไปแจกใหม่ไม่ได้เราต้องสอนให้เขาจับปลากินเองและเมื่อเขาจับปลากินได้เราอย่าไปยุ่งอุเบกขานวิธีแสดงน้ำใจเอาละ่ะ เมตตาเป็นคุณธรรมเป็นความรักการุณานะความสงสารอยู่ในใจเราถ้าเราไม่แสดงออกใครจะรู้ว่าเรารักเขาถ้าเราไม่พูดใครจะรู้ว่าเราสงสารเขาเรามีคุณธรรมเรามีน้ำใจแต่ไม่พูดไม่แสดงออกไม่มีใครรู้อาสาในใจมันมีประโยชน์อะไรมันไม่อิ่ม เพราะฉะนั้นอาสามันจะต้องแสดงออกและวิธีแสดงออกของจิตอาสาเนี่ยในพุทธศาสนาเขาแบ่งไว้สี่อย่างส่วนมากคนมักจะมองอย่างสองอย่างอย่างเช่นไปไปช่วยทาความสะอาดเขาเรียกลงแรงไงนะงแรงไปช่วยแบกช่วยหาช่วยจับช่วยทําอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งในสี่อย่างที่จะพูด บริจาคสิ่งบริจาคเงินทองก็เป็นจิตอาสาได้เราไม่ได้ไปช่วยแต่ส่งเงินไปสนับสนุนกิจกรรมันก็เป็นจิตอาสาให้เงินไม่ได้ให้สิ่งของเป็นเสื้อผ้าเป็นจิตอาสาทนั้นดังนั้นการแสด ง, งออกจิตอาสาคือสังค่าวัตถุสิ่เรามีเมตตา แต่ไม่แสดงออกใครไม่รู้พอเรามีเมตตาเราก็ให้สิให้ช็อกโกแลตแก่เด็กเนี่ยอยากเห็นเด็กมีความสุขแจกช็อกโกแลตให้เขาแจกขนมให้เขานี่คือทานบริจาคเงินบริจาคปัจจัยช่วยงานกาชาติเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กาชาติแต่เราบริจาคให้เราก็จิตอาสาด้วยคือทานปิยวาจาปิยวาจานี่หมายถึง บริการคนอื่นด้วยคำพูดมาเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กสอนนักเรียนสอนมหาวิทยาลัยมันก็เป็นปิยาวาจารให้คำพูดไปยืนโบกรถเนี่ยเป็นจราจรเนี่ยงานวัดเนี่ยเห็นพวกอาสาสมัครจราจรอาสาสมัครโดยเฉพาะที่มหาจุฬาเวลาระสาปริญญาเนี่ยมายืนโบกโบอกทางบอกอะไรต่าง ที่จริงเนี่ยการใช้มือเนี่ยดูเหมือนใช้แรงแต่ที่จริงเนี่ยมันสื่อความหมายมันเป็นนอนนอนเวอร์บอสมันเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดเราสงเคราะห์เข้าในปิยาวาจาได้ท่านไปเขียนป้ายบอกว่าน้ำทุ่งเออตรงนี้ทางตันทางแรงต่างเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้คนวิ่งไปสุดซอยแล้วไปตั น, นจิตอาสามันเกิดทันทีคือบอกป้ายเนี่ยบอกทางแก่คนหลงทางเนี่ย นี่คือปิยวาจาพิมพ์หนังสือท่านให้ข้อมูลให้ข่าวสารมันก็เป็นทำด้วยจิตอาสาวันนี้พระพรหมบดิตมาพูดเนี่ยจิตอาสานันเนี่ยปิยวาจาบวกบทบ้างข้อสามนี่แหละเรียกว่าลมแรงนะไม่มีเงินไม่มีของ ช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทําช่วยออลอกคล้องกนะวาดบ้านเป็นอัตถจริยาทําประโยชน์สงเคราะห์ประชาชนอบอ้อกมารีด้วยการให้วัจีภัยรอส่อครอบประชาชนสมานตะตาวางตนพอดีไอ้วางตนพอดีคืออะไรคืออัตตานังอุปมาณกัปตาวางเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น คนอื่นรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดไอเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นถ้าพูดในภาษากําลังภายใ น, ในเขาบอกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขเวลาคนเขามีทุกข์เขาจนเขาเจงเขาเจ็บไปให้เห็นหน้าไปเยี่ยมไข้เนี่ยกินอาสานะ้ท่านนะ ดอกไม้ก็ไม่มีสักดอกเงินก็ไม่มีให้เออแต่แค่ไปถามไปเป็นยังไงบ้างหรือโทรศัพท์แค่นี้แหละร่วมสุขร่วมทุกข์คล้ายๆกับเห็นอกเห็นใจกันเป็นสมานะตะ่างในภาษากรงกก็คือ s ซ n s e บ f ล e l o n กิ n g ทำไมเราจึงจึงอาสาไปไปช่วยคนอื่นเป็นพวกเดียวกัน แล้วคนไทยด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันมันมันมันผูกแหละแล้วชาวพุทธด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันอ่ะในในความรู้สึกในระดับนานาชาตินะพายุนากิสถล่มพม่านะตายกันเยอะแยะหมดโนดอเมริกาอังกฤษส่งของมาแล้วมาช่วยประเทศไทยอยู่ใกล้ๆช่วยได้ที่ไหนล่ะ มหาเจราก็เลยระดมนะเอาของเนี่ยบรรทุกเครื่องบินไปช่วยไ อ, ไ อ, ไอบ้บรรทุกเครื่องบินในบริการเน่ไอ้สี่ใบพัดอ่ะสาสามหลักอธิการบดีนำเงินไปด้วยนะหลายล้านบาทเนี่ยรับบริจาคพันโทรทัศน์ไปถึงแดนพยาโปงเน่ยที่น้ําท่วมจริงๆเลยคนพมา่าดีใจอูตชาวพูดโดยกันมานะถ้าเป็นไม่ใช่ชาวพูดโดยกันให้อยู่แค่สนามบินย่างกุ้ง แต่พอไปจากชาวพุดด้วยกันถ้าไปถึงโน่นก้นครัวเนี่ยควายตายแขวนอยู่ตรงโน้นเห็นหมดเลยดีใจทีวีถ่ายใหญ่เลยนะโอ้ยชาวพุดมีน้ำใจคืออันนี้แหละสมาณตต า, ตาเราต้องการให้เขารับรองยอมรับเราเอาตัวเข้าไปไปเกี่ยวข้องไปดูแล เห็นหน้าก็อยู่เสมอเสมอทะเลสมานตาตาในทีนี้เมื่อเรามีน้ำใจเมตตากรุณาพิจารวิเคราเรามีทานปิยาวาจาอัาจฉริยะเราแสดงออกแล้วถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรงานจิตอาสาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรแต่และคนอาจจะประมวลประโยชน์ได้คนละอย่างสองอย่าง ที่ไม่ใช่ประโยชน์ตนนะแต่จะขอสรุปไว้ว่าประโยชน์ของจิตอาสาเนี่ยมีดังต่อไปนี้ห น, นกกนนหนึ่งนะักกีพูดนิดหนึ่งในขณะที่เราไปอาสาช่วยคนอื่นทำให้คนอื่นเนี่ยเราก็ได้ยิ่งให้ยิ่งได้คือความสุขใจความภูมิใจ ความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าสองได้เครือข่ายได้กลุ่มกระเยะนนมิตรคนที่มีจิตอาสานีแสดงว่าไม่เห็นแก่ตัวครบได้ไม่ได้คิดมาเถือหนังเพื่อนเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเวลาที่ไปงานจิตอาสาเนี่ยเราจะได้เราจะไว้วางใจกันมากถ้าคนไม่ถือศรัทเขาไม่มาหรอก ที่เขามาเพราะเขาเห็นเก่ตัวน้อยหน่อยหรือไม่เห็นเก่ตัวคนอย่างนี้น่าคบเราจะได้กลุ่มกั น, นมิตรเพื่อนที่ดีเนี่ยเยอะเลยและบังทีคบกันลึกซึ้งกับเพราะงานอาสานี่แหละข้อสาสร้างตาข่ายระบบจิตอาสานี่สร้างตาข่ายนิรภัยให้กับสังคมอันนี้สังคมในมุมกว้างนะ แลวเดี๋ยวจะอธิบายและข้อที่สี่เกิดทุนทางสังคมเขาเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลจินอาสานี่เป็นทุนมหาศาลมียิ่งบางทียิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองมันเป็นทุนที่ธนาคารโลกเนี่ยถือว่าเป็นทุนชนิดหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวจะค่อยพูดทีละข้อขอข้อที่หนึ่งก่อน ว่าจิตอาสาเนี่ยให้ความสุขมีความสุขจากการเป็นผู้ให้คืออย่างไรมีงานวิจัยนะจากมหาวิทยาลัยบริ t i s h คล l u เบียที่แคนาดาเขาเขาทำวิจัยอย่างนี้เอาเงินเนี่ยนะไปให้คนแปลกหน้า ฝ่ายวิจัยนะวิจัยเนี่ยห้าเหรียญห้าดอลลาร์บ้างยี่สิบดอลลาร์บ้างไปเจอใครก็ตามเนี่ยจะมีกลุ่มที่ไปทําวิจัยก็จะไปแหละเจอถ้าเรดดอมให้คนแรกสมมุติว่าให้ห้าเหรียญหรือสิบเหรียญกันเอ้ยยี่สบเหรียญกันเลยแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะได้เงินยังไงสั่งว่า วันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินคุณเอาเงินที่เราให้เนี่ยไปใช้เพื่อตัวคุณเองจะกินก็ได้จะซื้อของที่อยากได้ก็ได้เอาไปเลยห้าเหรียญหรือสิบเหรียญหรือยี่สิบเหรียญแล้วไอ้คนที่ได้รับก็งงๆแล้วก็ยิ้มๆเลยนะส่วนใหญ่พอมาเจอคนอื่นอีกค้ากันนะให้เงินแบบเดียวกันแต่สั่งใหม่ว่า ก่อนพระทีตตกดินวันนี้นะเอาเงินนี้ไปซื้อของหรือไปให้ใครก็ได้แต่ต้องใช้เพื่อคนอื่นห้ามใช้เพื่อตัวเองห้ามใช้เพื่อตัวเองนะและก็กระจายกันไปในหลายคนหลังจากคนเหล่านั้นไปใช้เงินตามที่สั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลแบบนักวิจัย ได้ผลสรุปอย่างนี้ว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยคนที่ใช้เงินที่บอกว่าให้ไปใช้เงินเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนที่เอาเงินนั้นไปใช้เพื่อตอนเอง People were happier when they spend the money on others นี่คือบทสรุปจากงานวิจัย ไม่ว่าเงินนั้นจะเงินมากเงินน้อยไม่ใช่สำคัญนะเอาเงินไปให้คนอื่นห้าเหรียญก็มีความสุขเท่าเท่ากับยี่สิบเหรียญ น, นี่คือความสุขจากการให้เขาจึงสรุปว่า giving is good for your mind การให้ดีต่อจิตใจของสุขสาพตจิตของคุณนะจึงไม่แปลก่ที่คุณโยมตื่นเช้ามาใส่บาตร จบแล้วจ้ปีคุณย่าคุณยายมีความสุขวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเหมือนขาดอะไรไปจากการให้นี่คือความสุขเกิดจากการให้ไม่ใช่เฉพาะที่แคนาดานะเขาไปทำที่สาวแอฟริกาที่อื่นก็พบคำตอบแบบเดียวกันทีนี้เขาเปลี่ยนจากเงินนะเราไม่ให้เงิน แกโกนอื่นละแต่ไปขอนะไปขอคนว่าให้ซื้อสินถุงถุงสินค้าอย่างหนึ่งเนะี่ยเอาเรียกว่ามีเอ่อเป็นของดีๆอย่างหนึ่งอยู่ในถุงเนี่ยคุณช่วยบริจาคซื้อหน่อยนะทีนี้พอซื้อแล้วเนี่ยมีเงื่อนไข อ, อีก ของข้างในเช่นเป็นขนมเป็นชอ็อกโกแลตเป็นอะไรก็ตามอยู่ในถุงนั่นแหละขอให้คนที่เราพบเนี่ยซื้อแล้วก็สั่งสองอย่างไวกันกลุ่มแรกซื้อแล้วเอาไปกินเองห้ามให้คนอื่นกลุ่มที่สองบอกเขาว่าจะไปให้เด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลหรือคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วให้คนเขาจ่ายสตางค์เนี่ยรู้ไหมคนยินดีจ่ายสตางค์ซื้อของ เพื่อไปแจกคนป่วยที่โรงพยาบาลมากกว่าที่จะเอาซื้อของไปกินเองและคนที่มีความรู้สึกว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยมันไปถึงเด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไปถึงคนไข้ที่กำลังต้องการยาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมีความสุขมากกว่าจ่ายสตางค์และเอาของกลับไปกินเองมันเป็น โ o โพซิทีฟอิ e ู o ั่นส์นี่เป็นอารมณ์เชิงบวกที่เกิดกับเราที่ท ำ, ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเงินนะเป็นของขวัญหรือแม้กระทั่งที่เราไปทำอัธยจริยทำประโยชน์ซัพพอร์ตไปร่วมงานไปให้กาลังใจไปเป็นอาสาสมัคร ลอกคลองอะไรต่างเนี่ยงานวิจัยสรุปว่าคนที่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยสเตรสความเครียดมันลดดิเพรสอารมณ์ซึมเศร้ามันลดลงอยากมีนัยยะสำคัญทางสถิติก อ, อพูดให้พวกวิจัยเข้าใจ <c oughs> เด้อ ไม่รู้หมายความว่าอย่างไรใยักสำารตางจินั่นะสรุปแล้วมันดีอ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้นะทานอย่างเดียวนะปิยาวาัจจา์อัฐาจริยาสมณต า, านที่เราไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนคนอื่นเนี่ยมันหายมันกำจัดโลกสึมเศร้าที่พูดตอนแรกว่าไอ้พวกค่าตัวตายเนี่ยลพบพาไปอาสาสมัครสิเคยนึกถึงเรื่องนางกีสาโคเมีไเรามักจะตีความด้านเดีย ว, วา ที่ไปเอามะาเร็ดผักตาดเนี่ยนะขอเล่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยคือนางกิสาโคจะมีเป็นโรคซึมเศร้าลูกเล็กๆตายลูกเล็กๆตายและแกเข้าใจว่าหลับไปหาหมอเพื่อรักษาปลุกให้ตื่นหมอที่ไหนก็บอกว่าตายแล้วเลยบอกไปหาพระเจ้าวันละกันรักษาพระเจ้าก็บอกรักษาได้แต่ถ้าเธอต้องไปขอเม็ดผักตาดมันขาดยาอยู่ชนิดหนึ่งตัวยานั่นคือเม็ดผักกาดไปขอมาจากบ้านที่ไม่มีคนตาย กีสาโคตมีก็ไปถามทุกบ้านปรากฏทุกบ้านมีคนตายแล้วทำใจได้บารลุ ก, กับตายเรื่องมันมีแค่นี้แต่ถ้าเราตีความนะในขณะที่กีสาโคเตมีไปเนี่ยมันคือไม่ได้ไปเพื่อขอเม่ดพักการ์อย่างเดียวไปเห็นบางบ้านเนี่ยลูกน่ารักกว่าลูกตัวเองตายเนี่ยพ่อแม่ร้องไห้เนี่ยไปเกิดสมาณตต า, ตารู้สึกร่วม ลูกฉันก็ตายลูกเธอก็ตายปลอบกันเห็นไหมนี่คือ s ปอร์ตเนี่ยโซเชียลสปอร์ตการการให้กำลังใจกันไปต่างคนต่างปลอบต่างคนให้กำลังใจการที่ตัวเองไปเป็นจิตอาสาโดยไม่รู้ตัวนั่แหละมันทำให้ออกจาก depression โรคซึมเศร้ากีสากรก็จะมีกลับมาฟาดกุเรเจ้ามือเปล่าบอกไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายเพราะฉะนั้น เอาไม่ได้ประกาศมาไม่ได้เอาแล้วลูกเธอล่ะลูกของหม่องฉันก็ตายบางทีการที่ออกไปทำงานอาสาสมัครไปช่วยคนหรือในอย่างที่มีความทุกข์มันช่วยและการช่วยของเราเนี่ยมันจะมีผลกี่มากกี่น้อยเงินห้าบาทสิบาทยี่สิบบาท มันเปลี่ยนอะไรได้เราก็ตัวเล็กแค่นี้ไปช่วยแบกช่วงหาช่วยหามแลกก็น้อยปวยกว็ปวยยังอุตส่าห์ไปอีกเขาจะหาว่าอยู่บนอย่างนี้นึกถึงเรื่องนี้เรื่องปลาดาว you can make a difference นักท่องเที่ยวเดินไปที่ชายหาดไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งจับอะไรก็ไมโยนลงไปในทะเลก้มๆเงยๆเนี่ ย, เ, ยเห็นเด็กคนเนี้ย ไปดูใกล้ๆโอ้เป็นปลาดาวปลาดาวโยนลงไปในทะเลเด็กนักท่องเที่ยวก็เลยถามเด็กว่าเจ้าหนูทําอะไรผมช่วยชีวิตปลาดาวครับเมื่อคืนเนี่ยื่นมันซัดปลาดาวขึ้นมาติดที่ชายหาดแดดร้อนขึ้นมามันลงไปไม่ได้น้ํามันลดมันจะตายผมก็เลยมาเอาปลาดาวโยนลงทะเลโยนไปเรื่อย ช่วยชีวิตมันนักท่องเที่ยวก็ชี้บอกดูสิห น, นูปลาดาวเยอะแยะหมดเต็มชายหาดเธอจะช่วยได้กี่มากกี่น้อยมันไม่มีมันทำม ม, มันไม่ได้ดูว่ามันมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างช่วยกับไม่ช่วยเพราะเท่าไหร่มันก็ช่วยไม่หมดมันยังมีปลาดาวไม่ช่วยเยอะแยะมันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างเลยเด็กคนนั้นก็ไม่พูดอะไร ก้มลงหยิบปลาดาวขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็เวียงลงไปในทะเลแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยผมก็สร้างความแตกต่างให้กับปลาดาวตัวนี้ถ้ามันยังอยู่ที่ชายหาดมันตายแต่ผมช่วยมันมันรอดอย่างน้อยมันต่างกันแล้วแตกต่างกันแล้วช่วยแค่ไหนก็แค่นั้นหลายคนบอกให้เราปลูกต้นไม้ หน้าบ้านหน้าบ้านหน้ามองบ้านเราสวยแต่บ้านอื่นล่ะเลยไม่ทาเหมือนกันหมดไม่ปลูกต้นไม้ให้ปลูกในวัดเป็นอารามโอ้ยวัดเดียวมันไม่เป็นไทั้งประเทศมันไม่ปลูกก็เลยไม่ปลูกแต่ถ้าในวัดเราเขียวเจ้าอุ่มอย่างน้อยมันแตกต่างตรงนี้ด้วยจิตอาสาเมื่อยี่สิบปีมาแล้วมีข่าวหน้าดึงในหนังสือพิม ดาบตำรวจวิชัยสุรยุทธ์หลายคนอาจจะนึกถึงเขาได้เป็นตำรวจดาบตำรวจอยู่ที่อำเภอปรางกูจงังหวัดศรีสะเกตเขาเป็นคนศรีสะเกตแล้วก็เป็นตำรวจย้ายในปี2113ย้ายมาประจำสถานีตำรวจภูทรปรางกูจนกระทั่งกเกษียณในอยู่มาตั้งัต13จนถึง49เกษียณในปี2 0 3 0 ข้อมูลกระทรวงมหาไทยบอกว่าอำเภอปรางกูที่ดาบวิชัยอยู่เนี่ยเป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดศรีสะเกดตอนนั้นเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยมันจะช่วยอะไรได้จนก็จนที่สุดอำเภอที่จนที่สุดในจังหวัดที่จนที่สุดมันไม่น่าจะทําความแตกต่างได้เลย แต่ดาบตำรวจวิชัยไม่ยอมจำนนเขาได้ทำเหมือนกับคนโยนปลาดาวเนี่ยไปในทะเลเขาทำอะไรปี 2,103 เบียดเป็นต้นมาทุกเช้านะเวลาจะไปทำงานเขาขี่มอเตอร์ไซค์เยและเวลาเลิกงานเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดต้นไม้เนี่ยไปโลยไว้ตามริมถนนบ้าง ตามที่ตามพัรนาตามที่สาสณะบ้างทั่วไปในอำเภอปรางกู่ชาวบ้านก็บอกตำรวจบ้างไม่ไปจับโจรมาปลูกต้นไม้อยู่ได้เขาปลูกอะไรไหมปลูกยางนาที่ต้นอยู่สูงๆนะปลูกต้นตาลต้นคูนต้นคูนเพราะเป็นเป็นสีเหลืองในหลวงใ่การทิ้งกาวสมัยนั้นแล้วเขาก็ชวนชาวบ้านให้ทําไรนาะสวนผสมเพื่อแก้ความยากจน ทำไมมันจนที่สุดเพราะฝนมันไม่ตกมันแรงการปลูกยางนาปลูกต้นไม้เนี่ยทำให้ฝนตกต้นตาลเป็นพืชเศรษฐกิจทำให้ฝนได้กินฝนตกค้นได้กินพอมีฝนก็ทำไรนาะสวนผสมผ่านไปสิบกว่าปีเนี่ย น, นะเกิดอะไรขึ้นสองจากสองพนร้ยสาสิบเอ็ดนะท่านสองพันรอยสี่สิเอดเียน ทุกเช้าและหลัง 2,541 เนี่ยชาิประชาชนในปลาปลู่เริ่มเห็นผลของการปลูกต้นไม้ฝนตกเลยร่วมโครงการนี้ด้วยนวทีนี้สื่อก็มาขยายช่วยกันปลูกช่วยกันลดน้ำช่วยชาวบ้านที่ได้กินที่เหล็กที่ของดาบตำรวจคนนี้ก็ขอบคุณก็อะไรต่างในที่สุดปี 2,543 ประชาชนทั้งอำเภอปรางกูเนี่ยสิบตำบลนนลงมาติให้โครงการสี่โครงการที่ดาดตำรวจเป็นผู้ทาเนี่ยอยู่ในคำขวัญประจำอำเภอปรางกูเนี่ยคำขวัญว่าปรางกูอยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพรั่งดอกคูณบริบูรณ์ไร่นาส่วนผสมในช่วงนั้นแหละบังเอิญ มีจิตอาสาไปเทศแถวนั้นก็เลยไปเยี่ยมเขาด้วยนี่มีหลักฐานนะไม่ได้พูด ล, ลอยๆนะ <c oughs> ไปสัมภาษณ์เขาด้วยเนะนี่ยนี่ดันโดนไปถึงอำเภอที่จนที่สุดเนี่ยนะพระพรหมบดิตไปทำไมก็ไม่รู้จิตอาสาไงคือคนคนนี้นะนี่คนนี้แกพาไปแกพาไปตามต้นไม้ที่แกปลูกแล้วก็ไปถึงวัดน่นหนึ่งจำไปได้ละ พอไปถึงวัดน่ะเนาะแกก็นั่งปุ๊บเลยนะกับพื้นหนึ่งแล้วก็มองมองไปในวัดอ่ะแล้วก็บอกหลุกพี่เวลาผมมีเวลาว่างกับผมคืออะไรรู้ไหมผมจะมานั่งตรงนี้แล้วก็ดูต้นไม้ที่ผมปลูกเห็นมันเจริญโ ต, ว, ต ว, วัดแต่ก่อนนี่ลานวัดนี่โลกงเลย แกไปเอาต้นสักบ้างต้นตาลบ้างอะไรมันก็ปลูกขุ้นสูงเลยเป็นสิบปีเนี่ยและแกบอกว่าเมื่อว่าแกก็จะไปนั่งแกนั่งภูเขาแล้วก็มองต้นไม้มีความสุขเพราะฉะนั้นประโยคที่แกพูดพอแ ก, กเกษียณดานตำรวจคนนี้ได้เป็น100ร้อยตารวจตรีเนี่ยตอนกเกษียณมาจากผลงาน ป, ปลูกต้นไม้เนี่ยสองล้านต้นเนี่ยแกพูดบอกว่าเขาพูดบอกว่า ผมว่าโลกของวัตถุเป็นสิ่งสมมุติทางนั้นฝาาความสุขที่แท้จริงก็อยู่กับธรรมชาติและรู้จักเคารพธรรมชาติต้นนะ้ะต้นไม้นี่ผมจะต้องปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะตายนี่ตัวอย่างของกิ่นอสางาในเมื่อกี้ได้พูดแล้วเรื่อง ที่ดาบตารวจทำเนี่ยเขาไม่ได้เอาของไปให้คนจนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เพื่อให้มีฝนตกเพื่อทํานาไร่นาสวนผสมเพื่ออาชีพก็เข้ากับภาษิตจีนที่ว่าถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับพุทธภาษิตว่าตุ้มเหหิกิจจังอาตับปังอาขาตาโรตถาคตา ท่านทั้งหลายต้องลงมือทำเองพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ชี้ทางบันทีจิตอาสาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องลงมือทำเองทุกอย่างอาสาไปให้วิทยาทานให้ธรรมทานให้คำแนะนำคำชี้แนะฝึกอาชีพเขาก็จะพึ่งตัวเองได้ไปประเด็นที่สองการยานมิตร การที่ทำมือประเด็นที่หนึพูดไปแล้วนะัก็คือให้ความสุขจิตอาสาให้ความสุขถ้าเราจิตอาสาจริงๆนะไม่ใช่ไปรอรางวัลรองเงินรอกคําชมพอมันไม่ได้เราก็ทุกแต่ถ้าเราจิตอาสาบริสุทธิ์เนี่ยเราจะมีความสุขจากการเป็นผู้ให้อย่างที่กล่าวมานี้อันที่สอที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้เคลือถ่ายกาลยา น, นมิตร กัลยาณมิตรจิตอาสานี่คือคนที่มีสมานตตาร่วมสุขร่วมทุกข์ทำให้นึกถึงคำของอันเบิดกามูน่นะครับบอกว่าอย่าเดินนาหน้าผมเอออย่าเดินอย่าอย่าเดินนำหน้าผ ม, า เ, า เ, นนาผมเพราะผมอาจจะไม่ตามคุณอย่าเดินข้างหลังผมเพราะผมอาจจะไม่นำคุณ โปรดเดินข้างๆผมในฐานะเพื่อนในฐานะมิตรเพราะฉะนั้นในจิตอาสาไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องทุกคนมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่มีใครใหญ่กว่าใครในที่ทางานอาจจะมีหัวหน้ามีลูกน้องแต่จิตอาสาทุกคนสมานนัตตาเท่าเทียมกันมันก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนช่วยอะไร ภาสิตสววเดนนะครับบอกว่า Friendship doubles our joy and d e v i n e s our grief การยานามิรเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งหนึ่งองค์ดาลัยลามัพูดไว้หน้าคิดเลยท่านบอกว่าถ้าท่าน ต้องการช่วยให้คนอื่นมีความสุขถ้าท่านอยากจะเป็นจิตอาสานะอยากให้คนอื่นมีความสุขท่านจะต้องมีเมตตาการุณาความรักความสงสารท่านจึงจะไปช่วยคนอื่นได้และต่อไปอีกว่าถ้าท่านต้องการให้ตัวเองมีความสุขท่านก็จะต้องมีเมตตาการุณาเออ ไอ้ที่จะบอกว่ามีเมตตากรุณาแล้วไปช่วยคนอื่นมีความสุขอะเราชัดเจนแต่อยากมีความสุขเองท่านต้องมีเมตตากรุณาทำไมคำตอบก็คือว่าท่านมีเมตตาเนี่ยหวังดีต่อคนอื่นเนี่ยเมตตาคือไมตรีจิตคือมิตรท่านจะมีมิตรมีกรุณาท่านจะมีคนที่ท่านช่วยเหลือฉะนั้นความรักความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันให้ความสุขเย เพราะท่านมีเมตตากรุณาท่านไปช่วยคนอื่นคนอื่นก็เอ็นดูท่านช่วยเหลือท่านมันก็มิตรจิตมิตรใจกลายเป็นว่าชีวิตไม่เงียบเหงาเนี่ยชีวิตของจิตอาสาเนี่ยเราไม่ต้องไปเขียนชื่อว่าฉันเป็นจิตอาสาหรอกแต่การที่เราอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นอย่างหมอและกิจกรรมต่างๆที่ท่านมาวันนี้ท่านก็จิตอาสานะใครบังคับท่านใครบังคับท่านแต่เมื่อท่านมาแล้วท่านได้ประโยชน์ได้สาธารณได้ความสุขได้รู้จักกันน่ะมันเป็นเครือข่ายนะ ในนึกถึงพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะปียันจักอนนาปานำจิเมื่อมีข้าวน้ําบริบูรณ์เรานึกถึงคนอันเป็นที่รักเมื่อเรามีเงินมีของเนีอะไรต่างใครกินคนเดียวละ่ะเนกาสีแล ะ, ะเตสุขันกินคนเดียวไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นให้ที่ว่าเขาให้เงินมานี่จะไปซื้อของให้คนอื่นหรือซื้อของให้ตัวเองเราเอาไปซื้อให้คนอื่นเรามีความสุขมากกว่า งานวิจัยก็ยืนยันพระเจ้าก็ตรัสไว้ในพระบาลีเนี่ยพุทธภาษิตอีกเรื่องหนึ่งททมาโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทัทังมิตรานิคันติผู้ให้ย่อกลู่ใจมิตรไว้ได้การที่เราเป็นผู้ให้เราเป็นที่รักเราก็มีเครือข่ายมีมิตร เราก็จะมีความสุขจากเครือข่ายกัละยาณมิตรนั่นเองและในโครงโลกนี้จะบอกว่ายัางไงให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจัปองนอกไว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่คู่ทอรชน อาจจะโชคร้ายไปให้คนที่เขาอากตัอยูนานๆทีไม่เป็นไรนะเราจิตอศาสาเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นสบายใจแต่โดยหลักแล้วมันรีซิปรอคอลตอบแทนกันให้เขาก็ให้ตอบรักเขาก็รักตอบไม่ตคีจิตเป็นมิตรกันก็เป็นมิตรตอบทำให้นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลายสิบปีมาแล้วนะี่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาแลวคนก็เอามาสร้างเป็นหนังสั้นๆจาลองในประเทศไทยซึ่งจริงๆเหตุการณ์มันเกิดที่อเมริกาหลายคนอาจจะเจอเคยเห็นคลิปวิดีโอหรือหนังนําลองนี้คือเรื่องมีอยู่อย่างนี้ในนานมาแล้วนะนะเป็นหลายสิบปีมาแล้วนักเรียนแพทย์นคนหนึ่ง เดินหาวิจัยทําข้อมูลอยู่ในชนบทของอเมริกาในบ้านนอกแล้วเกิดหิวหิวหิวข้าวหิวขนมปังหิวน้ำหิวอะไรต่างๆมันแถวรู้มันไม่มีร้านอาหารนะ่บ้านนอกแกก็เลยตัดใจไปเคาะประตูบ้านชาวนาหลังหนึ่งซึ่งปกติฝรั่งเขาจะถือความเป็น p ร i เวสีเนี่ยความเป็นส่วนตัว เขาจะไม่ไปรบกวนกันแต่มันหิวเคาะประตูเจ้าของบ้านเปิดประตูเป็นสาวสวยเด็กหนุ่มคนนี้ก็ขอน้ำดื่มหนึ่งแก้วบอกขอน้ำดื่มหนึ่งแก้วหญิงสาวคนนั้นก็บอกเชิญเข้ามาในบ้านให้นั่งเหงือโทมเลยนะนักเรียนแพกก่อนนั้นแล้วก็ไปเปิดตู้เย็น เอานมสดหนึ่งแก้วมายื่นให้กำลังหิวเลยดื่มน้ำมันคงไม่หายหิวได้นมสดก็ดีใจนะขอน้ําได้นมสดดื่มไปหนึ่งแก้วเสร็จขอบคุณคนนั้นเป็นอย่างยิ่งคุยกันนิดหน่อยรู้จักชื่อกันทําอะไรทํางานอะไรเขาเรียนอะไรก็เหมือนกันคุยกั น, กนแล้วสุดท้ายก่อนจากนักเรียนแพทย์คนนั้นก็ถามว่า เขายินดีจ่ายนมสดแก้วนี้ราคาเท่าไหร่หญิงสาวคนนั้นบอกไม่คิดตังค์แม่บอกว่าถ้าให้ของแก่ใครคือของให้อย่าคิดตังค์ให้ด้วยใจก็แยกย้ายกันไปนักเรียนแพทย์คนนั้นได้เรียนจบแล้วก็ต่อมาเป็นเรียนด้านท่าตัดนะต่อมาได้เป็นหมอใหญ่ อยู่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์เรียนอยู่ที่จอร์ h ฮอบกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นผู้ริเริ่มคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์นฮอบกินส์นะในช่วงที่เขาเป็นหมอผ่าตัดมีชื่อเสียงเนี่ยผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นก็แต่งงานมีครอบครัวป่วยต้อง เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้จะผ่าตัดในเมืองก็เป็นเออที่ที่อยู่ตัวเองอยู่ก็ไม่มีหมอก็เข้าไปในเมืองในเมืองนั้นก็ต้องไปเชิญหมอที่มีชื่อเสียงจากในเมืองมาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จพอเห็นบินนะั้ในอเมริกาเนี่ยค่าบินค่าหมอนี่แพงมากๆผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าคงจะต้องขายไร่ขายนามาจ่ายนะเป็นค่าหมอ เพราะไม่มีปัญญาจ่ายมันแพงพอวันจะออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่รู้จะเอาเงจากไหนบินนั้นก็มาถึงบินเก็บเงเก็บเงินก็มาถึงที่เตียงคนไข้ประทับตัวใหญ่เลยว่าเพดจ่ายแล้วเพดว with a glass of milk จ่ายเรียบร้อยแล้วด้วยนมหนึ่งแก้ว ลงชื่อโฮเวิร์ดแคนรีนักเรียนนักเรียนแพทย์คนนั้นแหละเขาจำได้เขามาพ่าตัดให้และเขาก็เป็นต่อมาเนี่ยเขาเป็นหมอใหญ่ตั้งวิทยาลัยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เขาเรียกว่าเดอะบิ๊กโฟนเนี่ยในในสี่คนเนี่ย เขาคือคนขวาสุดนี้นึกินีคือรูปของเขาสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนั้นให้ด้วยจิตอาสาทานน่ะมันมีผลในทางไมตรีจิตที่นักเรียนแพทย์จำไม่ลืมและก็ตอบแทนด้วยการมาผ่าตักและไม่คิดสตางค์เพราะถือว่าได้รับ นมมาหนึ่งแก้วก็คืออันนั่นแหละคือค่าที่จ่ายมาล่วมหน้าแล้วให้ท่านท่านอยาให้ตอบสนองนี่เลยนี่คือเรื่องที่สองอานิสงของจิตอาสาข้อที่หนึ่งก็คือผู้ให้ยอมได้รับความสุขข้อทีอ่ผู้ให้ย่อมได้รับความสุขข้อที่สองก็คือได้เครือข่ายแกเ น, นามิต และข้อที่สามตาข่ายนิรภัย safety net ถ้าเราเห็นคนเดินบนตึกสูงสูงมีลวดขึงอยู่แล้วถือไม้เดินเนี่ยตึกสา4สิบี่สิบชั้นตกลงมาตายถ้าเขาพลาดเราดูจากทีวีเนี่ยกลัวเขาตายแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอาจจะไม่กลัวถ้าเขาเห็น ตาข่ายที่ถึงรองรับข้างล่างถ้าตกลงมาจากที่สูงมันจะมีเซฟตี้เน็ตตาข่ายนิรภัยรับให้เขาไม่บาดเจ็บไม่ล้มตากชีวิตคนเราไม่แน่นอนท่านมันมีขึ้นมันมีลงในยามที่เราได้ดีมีสุขก็อย่าลืมตัววันหนึ่งมันอาจจะมีขาหลง และขาลงถ้ามันลงมาสูงมันเจ็บหนักหรือตายเราต้องการตาข่ายนิรภัยเครือข่ายจิตอาสานี่คือการสร้างตาข่ายนิรภัยให้กับสังคมไทยเมื่อเศรษฐกิจไทยตกต่ำในปี2540โรคต้มยำกุ้งระบาด ธนาคารโลกวิตกเป็นห่วงใหญ่จะเกิดวิกฤตในสังคมไทยเหมือนที่เคยเกิดก่อนหน้านั้นที่อาร์เจนตินาคนอดอยากหิห้ห่ยมีอานยา ก, กรรมหาเข้าหายยาเสพติดอะไรต่างเยอะแยะหมดสังคมล่มสลายเขาก็มาดูสังคมไทยได้วยความห่วงใหญ่แต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยหมายถึงว่าวิกฤตผ่านไปเรื่อย สังคมไทยไม่ล่มสลายไม่แตกทำลายธนาคารโลกบอกว่าเพราะสังคมไทยมีเซฟตี้เน็ตมีตาข่ายนิรภัยเมื่อคนตกงานเมื่อบริษัทปิดเมื่อโรงงานปิดคนมันไม่ได้อดตายเพราะมันมีระบบท่านคงนึกออกโรงทานนะแม้กระทั่งโรงงานพระราชทาน และยังมีวัดมีสังคมสงเคราะห์เนี่ยคอยช่วยเหลือแม้แต่เจ้าของโรงงานที่ปิดนะก็ไม่ทิ้งลูกน้องเปลี่ยนจากผลิตของเยอะๆมาทําขนมตังขายอ่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องอยู่ได้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร น, นะเขาบอกสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรตงกงานในสังคมเมืองเหรอ กลับมาชนบท ม, มีข้ามกินอีกเข้าวัดกันดะที่ไหนก็มีจึงไม่มีกะลียุคพุบพิกขาภายโจรปล้นนี่คือตาข่ายนิราภัยเวลาน้ำท่วม ป, ปีห้าสี่เนี่ยท่านมันไม่นานมาห้าหกปีท่านคงเด็กออกนะน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมแล้วมันลำบากนะ หลังน้ำท่วมกินอะไรเองโรคระบาดเองมันมีผลตามมามหาศารขนาดที่น้ำท่วมอยู่บนหลังคาบ้านเขาไม่ได้เดียวดายนะเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยคนที่น้ำไม่ท่วมก็จิตอาสานี่แหละคือตาข่ายนี่ล้วไายเอาของเอาเงินบริจาคผ่านโทรทัศน์ผ่านวัดวารามอารามต่างๆนี่น้ำท่วมที่สระ บ, บุรีเนี่ย มหาเจาลาก็ไปดูตอนนั้นยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงมหาเจาลานะน้ําท่วมน่นมาก่อนแลราออายุธยาอ่างทองโอ้เป็นห่วงเขาเนอะไปดูได้เห็นภาพเลยท่านเห็นน้าท่วมเอาของไปช่วยนี่ของไปช่วยที่น้ําท่วมนี่ไปแจกเขานะนี่ ผู้ที่ไปก็รู้สึกดีนะโอ้ได้ช่วยได้ดูแลจิตอาสาพอกลับมาถึงมหาจุฬาเท่านั้นน้ำตามมาอีกเลื้อท่วมมหาจุฬาอีกแล้วแต่มหาจุฬาเนี่ยมีปรัช ญ, ญาเนี่ยปีห้าศูนเนี่ยเราเรามีปรัช ญ, ญามหาจุฬาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บุรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเรียนมหาจุราเพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจประโยคที่สามนี่คือสร้างจิตอาสาท่านใครเรียนมหาจุราแล้วอยู่บนหอคอยงาช้างไม่สนใจปัญหาสังคมน้ำท่วมไฟไหม้ไม่สนใจนถือว่าไม่ได้จิตวิญญาณของมหาจาุลา มหาจุลาไม่ว่าจะเป็นจุดไหนในประเทศเนี่ย45จังหวัดเนี่ยให้ทราบไปด้วยนะทุกปีเราจะได้รับการประเมินประเมินนะตั้งแต่ผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมทนุบำรุงศิลประพฤติะธรรมปรากฏว่าคะแนนที่มหาจุลาได้5เต็มูกปีมาเนี่ยคืออะไรจิตอาสาท่านเราเรียกว่าบริการวิชาการแก่สังคม ไม่รู้เป็นอะไรขยันช่วยงานขยันทำงานเพื่อจิตอาสาเนี่ยทั้งๆไม่ว้ไม่ใช่เฉพาะพระเนะนี้ยนิสิ์ขลุ่หักด้วยแหละออกมาเป็นอาสาสมัครเพราะหนึ่งนะในหลักสูตรของเราเนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบเรียนห้าปีนะปริญญาตรีห้าปีนะสี่ปีนี่เรียนในหลักสูตรเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปปีที่ห้าจิตอาสาอย่างเดียว เราเรียกว่าปฏิบัติศาสนักดิจไปที่ไหนก็ได้ไปทำงานฟรีเนอะไม่มีเงินเนะแล้วแต่จะไปส่วนไปฉันหรอแล้วไม่ได้กินอาสาหรอปกติปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นี่ไม่ให้ไปให้ค่ารถไปหนึ่งปีท่านและก่อนจะมาจบเนี่ยนะอาส า, าทาเป็นอะไรแบบบวชเดินผรูรอดไปเทศไปสอน ตลอดเวลานิสิตเครื่งหันเราไม่ให้ทำงานหนึ่งปีเพราะเขาต้องกินต้องใช้ให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นร้อยชั่วโมงโคือฝึกให้มีจิตอาสาเพราะฉะนั้นมหาจุฬาจึงสร้างคนจิตอาสาดีๆนี่แหละยิ่งเป็นพระด้วยหนึ่งปีฟรีๆเลยหลายรูปปีละส0สิบรูปขึ้นดอยนะครับไปอยู่กับชาวเขาองเดียวอยู่ตามอาสมต่าง พอเราฝึกอย่างนี้น้ำท่วมมหาจุฬาเป็นยังไงโอ้อาจารย์วิเชียรประเมินเนี่ยยืนยันได้เนาะเต็มหานะ้าในจิตอาสาเนี่ยมียืนยันมีที่อ้างอีก <c oughs> ปีที่น้ำท่วมใหญ่่ะท่านนะท่านดูภาพท่วมไปถึงป้ายเลยรถเข้าไม่ได้จำเดินบนสะพานน้ำท่วม นี่โบยกลางน้ำสมชื่อจริงๆโบยกลางน้ำมีแต่น้ำดูหน้าคนเนี่ยตอนนั้ น, เ, นเป็นยังไงเนี่ยนี่องค์นี้ดิเศาส้อยหมดเลยนะแต่ท่านทราบไหมในช่วงที่น้ำจะมาถึงเราเนี่ยบุรินทิชัยพัฒนานำคนที่ถูกน้ำท่วมในเกาะเมืองอายุทยาเนี่ย ห้าร้อยคนมาฝากเราไว้อยู่ที่อาคารอาคารหลังอาคารหลังนี้นี่ขอฉันเนี่ยข้างล่างน้ำท่วมแต่ว่าชั้นสองอยู่ได้ไฟฟ้าก็ถูกตัดน้ำก็ไม่มีกินคนห้าร้อยมาอยู่กับเราถ้าเป็นที่อื่นนะท่านนะพอศูนย์พักพิงถูกน้ำท่วมเขาอบพยพหนีหมดเลยไม่มีใครมาช่วยดูแลเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาหนีน้ำมาเรื่อย พอน้ำท่วมเนี่ยมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยเอามาฝากสมเด็จพระเทพเสด็จอาตมาก็ถามคนห้าร้อยที่อยู่กับเราว่าตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเขาปิดหมดพวกญาติโยมจะย้ายไหมจะหนีไปไหมแต่ถ้าโยมไม่หนีนะพระก็จะอยู่ดูแลญาติโยมอยู่ที่นี่ ตอนที่ญาติโยมปกติสุขโยมใส่บาตรพวกอาตามาแต่ตอนนี้โยมมีทุกอาตามาจะใส่บาตรญาติโยมเอาซิเอาิอายู่สิอยู่ซิเหรทีเี้าร้อยคนไม่หนีนะท่านน้ำท่วมหน้ามหาจุฬาเนี่ยอย่างนี้อาตามาก็ถามพระก่อนน่อนเราจะอยู่ดูแลญาติโยมไหมใครจะปากหลักอยู่บ้าง นี่ท่านจะคุณรองวิชาการนี่ท่านจะคุณนากเรียกวีนี่อาสาเลยปักหลักอยู่พร้อมกับทีมงานไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกโยมนะโยมถ้าวันไหนอาตมาหิ้วยามโยมตามเลยนะสเตเลมก็อยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ได้อยู่กันไปอาตมามีหน้านะที่หาปัจจัยนี่ไปให้กําลังใจเขาดูหน้าตาคนน้ำท่วมนะ แล้วมีหน้าที่เอาข่าวที่เราดูแรงคนเนี่ยออกทีวีคนก็แห่กันมาเลียกดูญาิโยมาทาบุญทุกวันน่หรือวันสองวันจะมาจะต้องเดินทางจากวัดประยูนยปกตินั่งรถหนึ่งชั่วโมงขาไปห้าชั่วโมงรถคันนี้ไปขึ้นคันนี้น้ำท่วมมันติดกลับอีกห้าชั่วโมงได้ดูอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงองคพระประจำวันมา ก, ก็มีมีหน้าที่ไปหา คนมาช่วยทำไปทำมานะของเยอะมากเราปรุงอาหารกันหน้าไอ้ใต้ใต้ทางไอ้หน้าสะพานลอยหน้ามหาจุฬ า, าทำข้าวกล่องหนึ่งพันกล่องแจกคนที่อยู่กับเราห้าร้อยคนแล้วบ้านแถวนั้นที่เขาไม่ยอมทิ้งบ้านเอาเรือนั่งเรือไปแจกเขาอีกสองถึงสมเดือนคนมุสลิมที่ไม่เคยเข้ามหาจุฬ า, าเลยมาอยู่กับเราสิบเจ็ดคน สองสามเดือนและประกาศว่าเขากับพูชลิมเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยไม่เลือกศาสนาเลยและพระก็ดูแลเขาอย่างดีเขาถึงประกาศตัวแตตอนแรกเขาเขายัางนึกนี่จะประกาศตัวแบบว่าเป็นมุสลิมเพราะเราพาทําวัดส่วนบนตลอดกันเครียดทําวัดเช้าทําวัดเย็นโอ้อยู่บ้านไม่เคยทําวัดเยอะขนาด น, นี้เลยทีนี้มุสลิมเขาก็อื่นอัดเขาก็เลยต้องประกาศตัวแล้วเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเป็นมิตรกันหมดนี่ แจกแจกข้าวแจกอะไรกันอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดในเรื่องของความมีน้ำใจเก็ดสึนามิท่านในปีสองพันในปีเท่าไหร่สี่สี่หกสี่เจ็ดลยนะสึนามิเนี่ยคนในประเทศไทยตายไปสี่พันโดยเฉพาะหนักมากก็คือที่พังงาที่เขาหลัก อาตมาก็เห็นแต่ข่าวแต่มาเกี่ยวข้องเพราะนิสิตมหาจุฬานีแหละเราสอนดีหรือเกินจิตอาสาท่านมาลาอธิการบดีเพื่อไปอาสาเนี่ยนะมันเกิดเหตุวันที่ยี่สิบหกธันวาสามสิบธันวาไม่กี่วันเลยมาลาอาตมาเนี่ยไปเป็นจิตอาสาไปช่วยญาติโยมที่เขาหลักที่พัน ง, งานอาตมาก็ ส่ไปแล้วกว็ห่วงใยเนี่ยท่านจะอยู่ยังไงยจะกินยังไงเอาท่านไปดูนะเนี่ยผมจะตามไปปรากฏว่าท่านไปแล้วเนี่ยเนี่ยอตมาก็าไปเห็นเนี่ยเวลาสึนามิมันโกรนเนี่ยนะตามไปไปดูนิสิตเราอยู่ยังไงพลังน้ํามหาศาลเนี่ยมันกวาดเรียบเลยนะท่านคนจมไปในบอ่อเนี่ยตายไม่รู้กี่คนซากขยะนิสิตเราไปถึงเนี่ยนี่นิสิตมหาจราน งงศพขึ้นมาชาวบ้าน ง, งงศพไปสวดให้ไปบังสุขุลให้และไปอยู่ในวัดที่ไม่มีอะไรจะฉันน้ํำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียังไปสวดนมนต์ให้ชาวบ้านอีกนี่บ้านที่ไม่พังที่รอดตายพระ ก, ก็ไปสวดนมนตให้วันที่สิบสามอาตมาห่วงนิสิตก็พาคณะเนี่ยเอาขนของใส่เครื่องบินไอซีไบพัดน่ะนะของทหารเนี่ยเอาไปที่นั่น ไปเยี่ยมไปให้โอ้ยให้นโยบายนิ่นิสิตของเรายังเห็นนิสิตที่อื่นมหาวิทยาลัยอื่นก็มานะแต่เข้าถึงชาวบ้านไม่ได้เขาไว้วางใจพระมากกว่านิสิตเหล่านั้นก็เลยมันต้องมาทำงานกับพระเป็นไปด้วยกันเนี่ยเนี่ยดูของพีท่านเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กับเต้นอย่างนี้ พอไปก็ไปเห็นพวกกิจอาสาอย่างหมอพรทิพย์ที่วัดย่านยาวก็ไปให้กําลังใจการไปอย่างนั้นก็คือไปซัพพอร์ตหมอพรทิพย์ทำโดยตรงทําฝ่ายพวกเราไปซัพพอร์ตไปให้กําลังใจนี่ก็คือตัวอย่างอันนึกของกิจอาสาโดยเฉพาะเหมือนกับตาข่ายนิรภัยถ้าคนไทยไม่ดูแลกันในยามยากแล้วใครจะมาดูแลเราพระไม่ดูแลญาติโยมในยามทุก แล้วใครจะดูแลเพราะฉะนั้นงานของพระสงค์มันจึงมีข้อสุดท้ายท่านสาธารณะสงเคราะห์นี่แหละคือจิตอาสาน่นะเออสาธารณสงเครานะห์น่จิตอาสารุนรุนเลยนะอ่ะไปสุดท้ายข้อสุดท้ายประโยชน์ของจิตอาสาคือทุนทางสังคมเราเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลถ้าเรามีเครือข่ายจิตอาสาเยอะๆนะ่ยนะ มันไม่ใช่มาดูแลกนในยามวิกฤตยามมีปัญหาในยามปกตินี่แหละเราจะมีทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาบ้านเมืองทางธนาคารโลกเขาเรียก social capital ทางสำนัก ง, งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบัญญัติคำว่าทุนทางสังคมโดยให้ความหมายอย่างนี้ว่าหมายถึงผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆที่มีอยู่ในสังคม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อยอดคือวัฒนธรรมของเรามีอะไรดีเยอะเลยนะและนั่นออมาเป็นทุนทางสังคมยกรวมไปถึงนี่นี่คือเรื่องที่เราทําการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คือจิตอศาสาบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจสายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามเนี่ยมันทาให้สังคมนี่น่าอยู่ เราจะพัฒนาสังคมพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยลองเงินสองแสนสามแสนเนี่ยกี่ปีกว่าจะมาแต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันทําความสะอาดหมู่บ้านสร้างสวนปลูกต้นไม้นี่มันไม่ต้องรอเลยและไม่ต้องรอว่ามีเงินแล้วค่อยมาทําอาสาสมัครในหมู่บ้านเนี่ยทำได้ตลอดเวลาและมันเป็นทุนที่มาจากใจเขาเรียกทุนทางสังคมและทุนทางสังคมนี่แหละ ที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยมาในอดีตท่านาดูในภาษาอังกฤษนะฮะ Social Capital เนี่นย Capital Generated by Volunteering Play a Key Role in Economic Regeneration การจะปลุกให้เศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยในยามที่น้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างเนี่ยมันก็คือ Volunteering นี่แหละท่านจิตอาสาจิตอาสาจึงเป็นทุนที่เข้าถึง อ่ะเวลาตึกถล่มในอินเดียท่านลองดูสิเอาเครื่องจักรไปขุดไปต่างๆนี่มันยิ่งุดลงไปอีกคนละไม้คนละมือในหยิบอิฐหยิบ ห, บหินเนี่ยช่วยคนให้รอดมาเท่าไหร่นี่คือทุนทางสังคมในยามวิกฤตและในยามมีในยามป ก, กติละ่ะสังคมไทยในอดีตเนี่ยเรามีทุนทางสังคมก็คือประเพณีลงแขกบอกแขกหลายคนมาช่วยกันทานาในในสมัยสมมาเป็นเด็กนี่ยังทันนะ เพราะมันไม่มีเครื่องจักรใช่ไหมเวลาข้าวที่ทํานาหลายสิบไร่เนี่ยมันออกรวมพร้อมกันเนี่ยมันต้องเกี่ยวทันทีนะถ้าทิ้งไว้นกกินหมดเลยนกไม่รู้มันมาจากไหนมันรู้เลยข้าวสุกตะลังกินบุฟเฟ่ ม, มันอะ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของคนเดียวสามีภรรยาเกี่ยวคนเดียวนะั้นไม่ทันเขาจะมีลงแขกเลี้ยงข้าวปลาอาหาร เท่านั้นเองนะเจ้าของนะนอกนั้นมาให้แรงงานฟรีๆเกี่ยววันเดียวเสร็จหมดเลยนี่คือประเพณีลงแขกงานอะไรมันเป็นทุนทางสังคมที่เจ้าของไม่ต้องเสียสตังค์เลยและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันในะประเพณีอย่างนี้เนะในอเมริกานะมันมีสังคมที่ปฏิเสธเทคโนโลยีอยู่กันแบบสั ง, สงคมดั้งเดิมเหมือนชาวนาบ้านเราเนี่ยเร า, เ, าเราเรียกว่าสังคมอามิช อยู่ในฟิลาเดลเฟียบ้าง้วสมาชิเคยไปเยี่ยมไปดูเขาเขาใช้รถม้านะเนี่ยสมาชิก 1,80,000 นคนเขาอยู่มาพร้อมกับตั้งประเทศอเมริกาอยู่กันโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเลยไถนาเนี่ยใช้ม้าลากในทุ่งนสมาชิกก็ไปเห็นทนี่ยที่ฟิลาเดลเฟียเป็นซิลวนเนียอะไรก็ตามเนี่ยอย่างตัวอย่างในภาพเนี่ย นี่คือเรื่องจริงนะรถเราวิ่งไปพร้อมกับรถม้ามาทุกยากมาทุกฝันเขาอยู่กันอย่างแบบนั้นเลยและเขามีความสุขเรียกว่าเขาปฏิเสธเทคโนโลยีเสื้อผ้าเขาไม่ใช้ไอเครื่องซักผ้านะเขาซักด้วยมือนะพวกนมพวกเนยเขาทำกันเองหมดเขาไม่ซื้อแม้แต่โรงเรียนเขาสอนเขาเองเขาไม่เอาหลักสูตรของรัฐบาลกลางไปสอนเพราะมันจะล้างสมองเด็ก ให้กูต์ฟอนด์นัซซิงลืมทิ้นจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐฟ้องพวกกลุ่มอามิชว่าขัดพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับทำไมไม่เรียนเหมือนเหมือนการศึกษาทั่วประเทศอเมริกาเขาบอกถ้าให้เด็กเรียนอย่างนี้วัฒนธรรมเราไม่เหลือมันจะลหลงไหลเทคโนโลยีลหลงไหลวัตถุนิยมเราจะสอนกันเองก็ฟ้องกันจนถึงซุปเปอร์มิตรถอนสูงสารสารูงตัดสินว่ายอย่างไง เขาถือสิทธิที่มนุษยชนสาคัญให้ชาวอามิชสอนกันเองครับจนทุกวันนี้ส่วนเด็กคนไหนที่อยากจะเรียนข้างนอกไม่พอใจวัฒนธรรมนั้นออกไปเลยแลวไม่ต้องกลับมาเพราะเขาอยู่กันอย่างนั้นแล้วทำไมเขามีความสุขละ่ะหัวใจของความสุขของอามิชคือจิตอาสาท่านเขาไม่ใช้เงิน เพราะฉะนั้นเขาจะลงโบดทริปพร้อมกันเขาเวลาสร้างบ้านนี่นะท่านล้มแขงเจ้าของเพียงจะออกวัาสดุนอกนั้นใครมากันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วความสุขมันอยู่ตรงนี้ตรงที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน like my person เนี่ยท่านจะเห็นภาพเนี่ยเ ย, ยังเกิดอยู่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ขณะที่พูดนในในอเมริกาเนี่ยเป็นสังคมตัวอย่างของจิตอาสา และความสุขมันอยู่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยมือก็ในเรื่องของสังคมไทยเราเหมือนกันถ้ารอบรู้ด้วยความรักให้เวลาแก่กันมีจิตอาสาดูแลเด็กเยาวชนเนี่ยเราจะไม่มีเด็กที่ววาดเวติดยาเสพติดอะไรเท่าไหร่ครูช่วยให้ความอบอุ่นแก่เด็กอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยนะพูดถึงจิตอาสาของนิสิตมหาจุฬาบาง เป็นทุนทางสังคมที่แต่ละปีเนี่ยเราเราเอานิสิตปริญญาตรีที่เรียนจบสี่ปีเนี่ยขึ้นดอยปีละสี่สิบรูปไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนไปอยู่กับชาวเขาเนทั้งหมู่บ้านเลยพูดภาษาไทยก็ไม่ได้มีโรงเรียนตำรตวจตำรวจชายแด น, นพระก็ไปช่วยสอนเด็กแล้วทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์พระที่ไปอยู่เนี่ยนะบางทีเนี่ยอย่างเนี่ยหมู่บ้านตลาดเจนตองเนี่ย ห่างจากแม่น้ำสารวินสี่กิโลอัตมามไปเยี่ยมไม่มีหนังสือพิมพ์ใหม่บี้อะไรท่าอยู่เป็นปีและท่านอยู่ได้ยังไงท่านอาสาช่วยชาวบ้านช่วยเด็กแล้วชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นชาวเผาก็มาใส่บาตรอาหารการกินก็นแบบนั้นแหละมีอยู่แห่งหนึ่งนะวันที่อัตมามไปถึงเนี่ยนิสิตอยู่มาครบองปีชาวบ้านน่าจะเป็นเผ่า จ, จาไม่ได้ลนะ่ะ เขาบอกว่าไม่อยากให้องค์นี้ไปเลยเนะอยากให้อยู่ต่อเสียสละตลอดนิมนต์ให้เป็นอยู่ที่เนี่ยทั้งทั้งอาสมเนี่ยคือสร้างที่พักเท่านั้ น, นมีพระโยมเดียวแล้ววันนั้นที่ธรรมาไปเนี่ยพระรูปนั้นก็เอาคอมพิวเตอร์เนี่ยนี่สักสิบกว่าปีแล้วนะมอบให้โรงเรียนตำนตรวจตะเวนชายแดนให้นักเรียนเพราะทั้งโรงเรียนไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์แต่มีเครื่องปั่นไฟที่ที่วันนี้เลยที่หมู่บ้านนี้ธรรมมาก็ถามพระบอกว่า แล้วท่านเอาสตางค์มาจากไหนซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหมื่นน่บอกก็เบี้ยเลี้ยงที่ให้เดือนละสองพันสองพันเนี่ยผมไม่ใช้เลยเพราะชาวบ้านสายบาทผมผมเก็บไว้แล้วซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็ก น, นี่นี่คือจินอาสาที่สลาเจนตองนี่สมัยที่บันทอารารูปแรกไปไม่มีไฟฟ้าสมัยที่ไปนี่ยังมี เ, เ, เ, เขาเรียกพลังแสงอาทิตย์เขาเขาทำเข้าไป ไปรุ่นแรกจุดเทียนสอนธรรมะแล้วทางเดินไปอย่างนี้ท่านไปหน้าไหนก็ไม่ได้ต้องหน้าแรงเมื่อลำธารมันแห้งน้าเนี่ยมันก็จะแห้งเขาก็จะเอารถนไปลอกไปตามลำธารหนึ่งรกิโลใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงในการเดินทางทําไมรู้เขาไปมาเองท่านเอ อ, เ อ, อไม่ได้ตัดต่อนเนยนะนี่ของแท้ น, นี่อะที่การเนี่ยนะลงไปถึงตรงนั้น ชาวบ้านร้องไห้เลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอธิบดีมาเยี่ยมเลยเนี่ยเขานึกว่าอธิการบดีคืออธิบดีนะชาวเขาอ่ะอาตมาก็เลยลงไปเยี่ยมหลายแห่งหลายที่เกือบจะทุกปีไปใหม่ๆนี่นะลองอธิการบดีตามกันไปพอเห็นลำบากหายไปทีละองค์ลงจนบทนี้ไม่มีใครไปด้วยเออนั่นอันนี้ประท้วงหน่อยน่ะแล้ว อาตมาไปที่แห่งหนึ่งที่บ้านวัดจันที่เอ่อที่บ้านวัดจันเนี่ยมีบังเอิญมีวิหารเก่าๆไม่ได้เป็นวัดด้วยนะเขาเรียกบ้านวัดจันที่ครูบาศรีวิชัยไปสร้างวิหารไว้อาตมาก็ถามว่าแล้วทาไมไม่มีวัดสักทีละ่ะมันเป็นเขตป่าสมวนสร้างไม่ได้อาตมาก็มีความฝันว่าอยากให้ชาวเขามีวัดบนดอยนะในที่สุดก็เป็นจริงนะพอพ อ, พอยกเป็นอําเภอกรยานนิวัฒนานะ เขาก็สร้างวัดมหาจุฬาเลยอาสาไปสร้างหนึ่งวัดที่วัดห้วยมงสร้างเสร็จเอานิสิตชาวเขาสี่สิรูปลงมาประชุมกันทุกปีแล้วที่การบดีก็จะไปไปประชุมแล้วเขาเขาอยากได้อะไรรู้ไหมเขาอยากได้ศูนย์ประสานงานบนดอยไม่ต้องลงมาที่วิทยาเขตเชียงใหม่อยากจะได้อาคารหนึ่งหลังที่นิสิตอาส า, ามาประชุมกันมาทํางานร่วมกันมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตมาก็ถามว่าแล้วราคาเท่าไหร่เขาบอก ไม่แพงแบบท่านที่การหกล้านบาทบนดอยนี่มันไม่แพงเพราะไม้มันมีอะไรมีแต่หกล้านอนตาตมาจะทํำยังไงดีล่ะงบประมาณมหาจุฬาฯก็ให้ไม่ได้ไม่มีวัตถุประสงค์งบราชการก็อะไรก็ก็เลยเ อ, า, อยางนี้กันละกันไหนๆเราจะสร้างวัดทอดกระถินให้กันล้วกันอนตาตมาพาญาติโยมที่มีจิตอาสาขึ้นดอยได้ไหมไปทอดกระถินสามปีติดต่อกัน โดยตั้งยอดว่าปีเพราะว่าสร้างไปด้วยใช่ไหมจ่ายให้ปีละประมาณสองล้านบาทสองล้านสองล้านสามปีครบหล้านสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นศูนย์ประสานงานนี่ไปเป็นทุนทางสังค ม, มที่อาสมาพาขึ้นไปบนดอยไปสร้างศูนย์ปฏิบัติสาธารกิจของปะดิน์อาสานี่เออคืออาคารที่เราสร้าง หลังใหญ่เลยเนอะโอ้โหหกล้านเนี่มันใหญ่โตเหลือเกินเออมันอยู่บนดอยถ้าอยู่ข้างล่างสร้างไม่ได้นี่คณะที่เป็นจิตอาสาขึ้นไปนี่ห้องใหญ่โตฉะนั้นก็เมื่อนี่ขึ้นดอยเมื่อจัดวิสาขาบูชาโลกจัดวิสาขาบูชาโลกนั้นใครจะอาสาให้สำนักพุทธสำนักพุทธ ก็มายกให้มหาเจราหมายถึงเราจะต้องทำงานเกินเวลาล่วงเวลาเพราะเวลาปกติมันไม่เพียงพอในการทำพิสาขาบูชาโลกต้องประชุมกันดึกดึ่น้าโมงเย็นยังจะต้องอยู่ต่อปีแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจแต่มหาเจรามีมีวอนเทียสเปริตมีจิตนะอาสาเนียู่กันดึกกันดึ่นโดยเฉพาะพระเนี่ยนะคฤาราช ก, ก็อยู่ดึกบ้างแม่บ้านกระถามมาอยู่กับพระจริงปะ ออพอยืนยันเขาก็มาอยู่ทำงานกันเราจัดวิสาขาบูชาโลกตั้งแต่ปี47นะเนเป็นต้นมาวิสาขบาูชาโลกเปิดที่มหาจุฬาบ้างที่พุทธมณฑลตอนมหาจุฬายังไม่มีหอประชุมก็ไปเปิดที่พุทธมณฑลแล้วมาปิดที่ UN Conference Center ที่ราชดำเนินต่างประเทศมาเห็นแล้วโอ้โหถ้าช่วยงานกนดีเหลือเกินตั้งแต่ไปต้อนรับที่สนามบิน พิมพ์คอมพิวเตอร์ต่างประเทศบอกอย่างนี้เอาเอาไปไปสอนที่ประเทศเขาหน่อยสิอยากให้พระในประเทศเขาเป็นอย่างพระในมหาจุฬาจึงเป็นเหตุให้เราไปเปิดปริญญาตรีปริญญาโทสอนพระกับภิษุนีที่เกาหลีใต้ที่ไต้หวันที่สิงคโปร์เดี๋ยวนี้ใครเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมหาจุฬาเป็นภาษาจีนเรียนที่สิงคโปร์ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษที่ศิงคโปราก็ได้เรียนปริญญาเอกที่ฮังการีก็ได้ ความประทับใจที่เขาเห็นคือบ u n t e e r s p ุริ t จิตอาสาของพวกเราที่ทำนานก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราทำกันด้วยความสุขนะไม่ใช่ฝืนทำมาจนปีนี้เป็นปีที่สิบสี่สิบห้าแล้วทุกปีมหายุลาต้องทำนท ง, ง, งที่เป็นงานหนักงานเหนื่อย 80% สิบประเทศทั่วโลกมาบางปีต่างประเทศมาถึงสอง0ันท่านเงินทองก็ต้องใช้ต้องบริจาคต้องอะไรกันมากมายฉะนั้น ในจนกระทั่งเราจัดวิสาขะเนี่ยตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเรียกว่า ICDV ช่วยมหาจรฬาประสานทั่วโลก International Council f o u n d a y i o n a สภาสภ า, สภาวิสาขะบูชาโลกเนี่ยนะอาตมาอธิการบรดีเป็นประธานปรากฏว่าอ ง, งค์กรนี้ทำด้วยเจ็ดที่อาศาอย่างนี้ ทำให้สหประชาชาติเนี่ยรับรองเราว่ารวมใจคนที่มีจิตอาสาจึงให้เป็นองค์กรที่เป็นษาพิเศษของสหประชาชาติในประเทศไทยมีอย่างมากแค่องค์กรเก่าที่อยู่กัแต่เราคือพอสลอร์ผู้สนับสนุนโลกเคยเป็นตรงนี้แล้วเราเรามาสร้างตรงนี้จนกระทั่งเป็นองค์กรที่เป็นษาของสหประชาชาติได้องค์กรอื่นในประเทศไทยทําไม่ได้มหาจุฬาทําได้เพราะ ว a r ์ n รนเที p สปร t นั่นเองฉะนั้นเวลาประชุมสหวรชาชาตินะนี่ที่มีบัตรเข้านะเดินไม่คนอื่นที่บุกเข้านะสหประชาชาติยากมากแต่ถ้าเป็น i อซ v ดีวมีบัตรผ่านนี่นี่คือตัวอย่างที่เราไปทำบัตรส่งผู้แทนไปเข้าประชุมและปีนี้เราก็จะเออเป็นเป็นองค์กรที่เป็นาพิเศษเรามีพันธ ก, กิจสีได้หนึ่ง เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เรื่องสภาพภูมิอากาศที่เราจะต้องอาสาสมัครช่วยกัน 3. เรื่องการศึกษาและก็ 4. เรื่องสันติภาพเป็นพันธกิจของ i c d v สภาสากลวิสาขบูชาโลกในแต่ละปีเราจะพูดกันถึงเรื่องกิจอาสาเรื่องไรต่างปี2018ก็คือ2011นี้เราจะประชุมกันวันที่ 25-27 จากทั่วโลกนะพันห้าคนทั่วโลกเนี่ยมาเปิดประชุมที่มหาจุฬาอํเภอวังน้อยนายกรัฐมนตรีปีปีที่แล้วเราไปเปิดที่ลังสรีลังกานายกรัฐมนอินเดียไปปจาจกถาเปิดงานปีนี้เราจัดที่หอประชุมมหาจุฬาได้รับคายืนยันมาแล้วว่านายกรัฐมนตรีของกูตาลจะมาปจาจกถาในวันเปิดวันที่25หัวข้อที่เราจัดก็คือ จัดประชุมเบนทีมก็คือ b u s d e s s Contribution to Human Development ก็คือคุณูปการคุสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์เราตั้งหัวข้อนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรนชการที่9ทรงได้รับรางวาัลจาก UN เอ็สากพันชาติา Life Time Achievement Award คือรางวาัลชีวิตของพระองค์ท่านในด้าน Human Development จิตอาสาพระองค์ในการพัฒนา ประเทศนั่นแหละเพราะฉะนั้นในการประชุมวิสาขาบูชาโลกเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติของพระองค์เราจึงตั้งหัวข้อเรื่อง human development นายกคูตานก็รับมาแล้ว mm. เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เราทำงานด้านจิตอาสาและกลายเป็นผลงานที่เชื่อมระดับโลกถ้าไม่มีเรื่องจิตอาสาเราทำไม่ได้ขนาดนี้เพราะทั้งประชาคมมหาเจลาเสียสละนะ มีจิตอาสารวมกันมานั่งฟัง ก, กันจนไม่ต้องชันเพลนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะขอจบตรงนี้นะรัตนัตยานภาเวนรัตนตยะเตชะษาด้วยเดชะบรารมีคุณประสีรันตนตรัยและบุญกุญศรที่เราบาเพ็ด้วยจิตอาสา เ, เ, เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนมหาชนนั้นขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอานวยเวอวอพให้ทุกรูปทุกท่านทุกคน ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่วมธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสตรคทวันตรายทั้งปวงประสงค์จำ侬หมายสิ่งใดที่เป็นไปชโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้ความประสงค์นั้นพรังสาเร็จสมโนรถุมากปราขนาทุกประการตลอดกาลักนานเทิ